บทที่หนึ่งตัวซวยอุปการะตมโมภัยรีชายวัยกลางคนนั่งประจำซุ้มหมอดูข้างห้างใหญ่แห่งนั้นมาเป็นวันที่สามซึ่งลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นกว่าสองวันแรกอย่างผิดหูผิด ต, ตาส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าในสองวันแรกนั่นเองที่เวียนกลับมาซ้ำและพาญาติสนิทมิตรสหายพ่วงมาด้วย จาก11โมงถึงบ่ายสามครึ่งของวันนั้นเขาแทบไม่ได้พักหายใจหายคอกระทั่งลูกค้ารายล่าสุดลุกจากโต๊ะก็คิดจะพักเหนื่อยลุกไปรับประทานอาหารกลางวันเสียหน่อยแต่ปรากฏว่ามีสองสาววัยรุ่นกลายร่างเข้ามาดักไววเสียก่อนจึงชงะงักกิริยาลุกยืนกลับลงนั่งตามเดิมสวัสดีค่ะพ่อหมอละองฝนยกมือไหว้พ่อหมอของหล่อนพร้อมรอยยิ้มศรัทธา อุปการะรับไหว้ด้วยสีหน้าสงบไม่ถือสา ว, ว่าใครจะเรียกตนไปต่างๆนานาอย่างไรสุดแล้วแต่ความถนัดวันนี้หนูพาน้องสาวมาให้พ่อหมอช่วยดูให้ด้วยค่ะได้ครับอุปการะพยักหน้านิดหนึ่งและรับคําอย่างสงบเมื่อเบนสายตาไปทางผู้เป็นน้องสาวของลูกค้าเก่าก็เห็นฝ่ายนั้นผนมมือไหว้เขาตามพี่สาวเงียบๆจึงต้องรับไหว้อีกทีสวัสดีครับแล้วเขาก็พูดไม่อ้อมค้อม มีปัญหาอะไรว่ามาได้เลยนชเลปิดปากเงียบอยู่ครู่ย่นคิ้วครุ่นคิดก่อนเอ่ยอึกอักคือหนูไม่สบายใจกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะ่ะหนูเพิ่งทำให้เพื่อนๆ เ, เดือดร้อนพอดีพี่สาวของหนูบอกว่าควรมาปรึกษาพ่อหมอเผื่อได้คำแนะนำอะไรที่จะทำให้สบายใจขึ้นบ้างอุปการะเล็งตากำหนดจะดูกรรมของเด็กสาว แต่รู้สึกวิงเวียนเพราะใช้กําลังจิตอย่างต่อเนื่องมาหลายชั่วโมงจึงปิดตาลงสู่สภาพนิ่งของจิตเพื่อบ่มกําลังชั่วคราวสายตาของคนภายนอกอาจนึกว่าเขาเข้าฌานนั่งทางในมีแต่เขาเท่านั้นที่รู้ว่าตนเองเพียงสงบใจพักผ่อนเยี่ยงผู้เป็นนักเรงสมาธิชั้นอ๋องไม่ได้กำหนดดูสิ่งใดทั้งสิ้นเกือบสนาทีชายวัยกลางคนจึงลืมตาขึ้นใหม่ และใช้เวลาเพียงช่วงแว บ, บเล็งดูเด็กสาวตรงหน้าก็เห็นชัดทะลุปรุโปร่งในเงากรรมที่ติดตัวตามหลอนมาเห็นว่าไม่มีเงากรรมด้านมืดมาเกาะกลุ่มถ้าจะมีก็เพียงความกังวลใจอันทำให้รู้สึกอึดอัดคับแคบหรือฟุ้งซ่านกระวนกระวายถ่ายเดียวพูดง่า ย, ายๆว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ทุกข์เพราะความคิดไม่ใช่ทาผิดใหญ่หลวงอะไรมา หมอดูหน้าใหม่ระบายลมหายใจยาวก่อนเอ่ยด้วยความการุนดุดกล่าวกับลูกสาวหนูทำงานของเพื่อนๆนเสียหายส่งครูกันไม่ทันกำหนดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมหนาชาเลลืมตาโพรงร้องดังๆเหมือนคำอุทานมากกว่าเป็นคำตอบยอมรับค่ะแต่ก็ดีนี่เพื่อนเพื่อนหนูก็เข้าอกเข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของเรานับว่าน้าใจประเสริฐกันทุกคนแล้วหนูจะเศร้าไปทาไม ได้ยินคำพูดแทงใจดำจากผู้วิเศษนัชเลถึงกับทาตาแดงๆถ้าพวกเขาด่าว่าหรือตบตีหนูเสียยังอาจรู้สึกผิดน้อยกว่านี้อุปการะหัวเราะเอ่ยๆก่อนปรอบความสำนึกผิดเป็นของดีใครสำนึกผิดง่ายแปลว่าทำเรื่องชั่วร้ายได้ยากต่างจากคนขาดสำนึกที่ทำให้โลกตกอยู่ในอันตรายโดยไม่เคยเสียใจ เมื่อสังเกตว่าเด็กสาวตั้งตาฟังโดยดีพ่อหมอก็เอ่ยต่อแต่หนูก็ไม่จำเป็นต้องสานึกผิดมากเกินเหตุความเศร้าโศกไม่รู้เลิกนั้นเป็นแค่เพียงส่วนเกินที่เปล่าประโยชน์ร้องไห้อีกกี่ปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นใจเราขังตัวเองไว้กับทุกข์อยู่คนเดียวสู้เอาเวลาที่สูญเปล่านั้นไปทำประโยชน์เพื่อละลายความสานึกผิดก็ดีกว่า กระแสะเสียงนุ่มโนนปราณีมีผลให้น้เลรู้สึกสงบและตาสว่างอย่างประหลาดความกังวลเศร้าโศกแทบมาลายเป็นปริดทิ้งเอาแต่งเงียบฟังนิ่งอยู่นั่นแหละคะ่ะละองฝนกล่าวแทนน้องสาวเรื่องของเรื่องคือยายทรายเขาเป็นคนกลัวบาปกลัวกรรมมาแต่ไหนแต่ไรเรียกว่ากลัวขึ้นสมองจนเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งละกันวันก่อนเผลอเหยียบจิ้งจกตายยังคร่ำครวญเหมือนอยากฆ่าตัวตายตาม นี่ทำงานเพื่อนเสียหายก็แทบกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะกลัวกรรมสนองหนูเลยพาเข้ามาหาพ่อหมอเพื่อให้เชื่อว่าที่เขาทำนั้นไม่ใช่ความผิดเหมือนอย่างที่พ่อหมอบอกหนูเมื่อคราวก่อนว่าถ้าไม่มีเจตนาเป็นประธานก็ไม่ถือว่าเราก่อกรรมขึ้นเต็มรูปแบบอุปการะพยักหน้าคล้ายช่วยรับรองให้คนเรามีความรู้สึกผิด มีความรู้สึกพวงกับความพลาดพรั้งที่เผลอทําไปแล้วแตกต่างกันเรื่องคองขาดบาดตายของคนหนึ่งอาจแสนธรรมดาสําหรับอีกคนหนึ่งเหตุก็เพราะพื้นฐานความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นไม่เหมือนกันบวกกับความไม่รู้จริงเรื่องการสนองกรรมเข้าไปด้วยชายวัยกลางคนทําหน้าเคร่งเล็กน้อยกําหนดดูด้วยจิตแล้วเห็นเป็นนิมิตแปลกและไม่เป็นที่เข้าใจสําหรับคนเคยอยู่แต่ในวัด ห่างไกลเทคโนโลยีผมเห็นจากนิมิตเหมือนหนูทรายเอาเครื่องกับกันหรือตุ้มทวงนวงเหนียวอะไรสักอย่างไปใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนโดยไม่ได้เจตนาตรงข้ามเป็นความหวังดีนึกว่าใส่อะไรนั่นเข้าเครื่องเพื่อนและจะช่วยเป็นโลภ ป, ปกป้องคุ้มครองภัยให้เขาพูดง่ายๆว่าความตั้งใจของเราเป็นกุศลเสียด้วยซ้ำนัชะเลขนลุกขึ้นมาสู้หนึ่ง แต่ไม่ถึงขนาดตลึงงานเกินเหตุเนื่องจากละองฝนเล่าให้ฟังถึงอำนาจอย่างรู้เหลือเชื่อของอุปการะมาก่อนแล้วค่ะหนูเป็นคนเอาไวรัสคอมพิวเตอร์มาแจกจ่ายเพื่อนเพราะถูกหลอกว่าเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสอุปการะทำหน้าสงสัยอยากรู้ผมเคยได้ยินบ่อยเหมือนกันไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงหรือช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยเถอะ เด็กสาวยืดตัวตรงอย่างผู้มีความกระตือรือร้อนขยายความรู้แจกคนอื่นที่ได้ชื่อว่าไวรัสเพราะมันทำตัวเหมือนเชื้อโรคนะคะคือติดคอมเครื่องไหนแล้วก็จะแพร่กระจายโรคเดียวกันนั้นต่อไปยังคอมเครื่องอื่นๆผ่านอินเทอร์เน็ตมันทำให้คอมพิวเตอร์พังหรื อ, อยังไงแล้วแต่สายพันธุ์ไวรัสค่ะบางสายพันธุ์ก็ร้กาดขนาดทาเครื่องพังได้จริงๆ แต่กรณีของหนูคือมันมาหลอกให้หนูเข้าใจว่าจัดเก็บเอกสารเรียบร้อยแต่จริงๆไม่มีการจัดเก็บเลยอุปการะไม่เข้าใจเรื่องการจัดเก็บเอกสารในคอมพิวเตอร์แต่พอเข้าใจได้ว่านาเลทำงานฟรีโดยไม่มีข้อมูลไปส่งครูแล้วหนูก็ทำให้เพื่อนของหนูจัดเก็บงานไม่ได้เหมือนกันค่ะถือว่าหนูเป็นตัว s วยของพวกเขา คือแนะนำให้เพื่อนในกลุ่มอีกสองคนไปเอาไวรัสนี้มาด้วยแบบว่านัชเลพยายามเรียบเรียงคำอธิบายให้ง่ายสำหรับคนไม่รู้คอมพิวเตอร์อุปการะทราบเจตนาจึงพยักพเยอดเอาเถอะอธิบายตามสบายของหนูใช้สับแสงเหมือนพูดให้คนเข้าใจคอมพิวเตอร์ด้วยการฟังก็ได้ความเข้าใจของหนูจะทำให้ผมเข้าใจตามได้คร่าว เอาตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยว่าหนูไปเอาไวรัสนี่มาอย่างไรผมพยายามจะแปลให้ออกเท่านั้นว่านิมิต ท, ที่เห็นนี่คืออะไรมันมีลักษณะกรรมของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำที่แปลกประหลาดผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนพ่อหมอเห็นอย่างไรหรือคะละองฝนเป็นคนถามด้วยความอยากรู้มากกว่าจะลองภูมิพอสาวไปถึงกรรมของต้นตอผู้กระทาผิดที่แท้จริง นิมิต ท, ที่ผมเห็นนั้นคล้ายกับว่าใครคนหนึ่งจุดไฟประหลาดขึ้นเหลากับใช้มายากลกคือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ก็เกิดขึ้นแล้วไฟนั้นตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่เครื่องหนึ่งพอไฟสว่างขึ้นคนเห็นแล้วนึกว่าจะเป็นคุณเลยพากันวิ่งไปเอามาติดไว้กับคอมพิวเตอร์ของตัวเองแต่ปรากฏว่ากลายเป็นไฟที่เผางานของตัวเองมอดไหม้ไปแทน และฝ่ายนั้นลุกลามขยายวงกว้างออกไปทุกทีแม้ขณะนี้ก็ยังไม่หยุดเพราะยังมีคนหลงช่วยแพร่กระจายต่อด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นจำนวนมากเข้าเขาค่ะและอองฝนชิงน้องสาวอธิบายในแวดวงคอมพิวเตอร์นี่คนเชี่ยวชาญมากๆขนาดรู้ไส้รู้พุงระบบเครือข่ายทะลุปรุโปร่ปรงจะถูกขนานนามเป็นแฮกเกอร์ แฮกเกอร์ที่เก่งระดับเซียนมักทำอะไรได้เหมือนนักมายากลและถ้าเลวพอก็จะแกล้งคนอื่นด้วยการส่งไวรัสไปในอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการแพร่กระจายทำนองเดียวกับโรคระบาดคนเดือดร้อนมักเป็นใครก็ตามที่เอาคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตอุปการะสงบฟังเสียงละองฝนเพื่อให้เคลื่อจิตหลอนเข้ามากระทบจิตเขาโดยตรง เป็นอุ ป, ปเทศวิธีเรียนรู้ทางมโนทวานอย่างหนึ่งคือพอละองฝนพูดคําว่าแฮกเกอร์จิตเขาจะเห็นกลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่มีจิตหมกมุ่นกับคอมพิวเตอร์เกินคนปกติวันทั้งวันเอาแต่นั่งหันหน้าเข้าหาคอมพิวเตอร์แทบไม่เป็นอันกินอันนอนจิตของแฮกเกอร์จะใส่ใจกับรายละเอียดยิบยับในหัวมีแต่เรื่องข้อมูลช่องทางลับ สายสนกลในและการเอาชนะข้อจํากัดปีนกำแพงเข้าปร้นสิ่งที่ต้องการอยู่ตลอดเวลาอุปการะเคยเห็นจิตของเด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์อาการจะคล้ายกันเพียงแต่นิมิตของพวกแฮกเกอร์ปรากฏไปอีกแบบคือเหมือนคนเล่นเกมสนุกที่สุดในโลกและถ้าชนะจะได้รางวัลใหญ่กันในโลกความจรงิงอาจเป็นเงินล้านหรืออาจเป็นการโค่นศัตรูคู่อริ ให้ล้มหายตายจากโดยปราศจากร่องรอยผู้ลงมือเมื่ออย่างทราบลักษณะจิตของแฮกเกอร์แล้วอุปการะก็กำหนดรู้ต่อไปว่าแฮกเกอร์ผู้เป็นต้นเหตุความเดือดร้อนของเด็กสาวตรงหน้าคือใครหลับตาลงครู่หนึ่งแล้วเปิดขึ้นมองหน้าะเลยิ้มยิ้มก่อนกล่าวน่าสนใจนะแฮกเกอร์นี่เป็นพวกทำกรรมหนักทีเดียว ถ้าทางหนูทายโดนเขาหลอกด้วยอุบายที่แยบขายด้วยนี่ใช่ไหมค่ะนชเลตอบทันทีและเมื่อเห็นว่าพ่อหมอตรงหน้าเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายจึงเล่าเต็มที่หนูเป็นหนึ่งในเหยื่อนับล้านๆคนของเขาเขาใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลอกคนครึ่งโลกจนเป็นข่าวใหญ่ CNN อยู่ในเวลานี้ กว่าเยอของเขาจะรู้ตัวก็พากันช่วยลากพายาิสนิทมิสหายมาให้เขาเชื่อดกันระนาวและถึงขณะนี้คนที่ยังไม่รู้ข่าวก็ส่งไฟล์ต่อๆไปให้คนรู้จักอย่างต่อเนื่องเว้นวัรครู่หนึ่งเมื่อรู้สึกว่าพ่อหมอเข้าใจอะไรง่ายเกินคนธรรมดาจึงตัดสินใจพูดแบบไม่ออมรายละเอียดในฐานะผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ดีคนหนึ่งความจริงอาชญกรรมที่เขาก่อครั้งนี้ ไม่เชิงว่าเป็นไวรั ส, สที่แพร่ระบาดด้วยตัวเองอย่างพี่สาวของหนูเล่าแต่จะเป็นเหมือนม้าไม้โทรจันที่ชาวกรีกส่งให้เมืองทรอยโดยหลอกว่าเป็นของขวัญแต่ที่แท้มีทหารซ่อนอยู่และออกมาทำความวอดวายแก่เมืองทรอยในตอนกลางคืนโปรแกรมนี้เมื่อคนนึกว่าเป็นของดีของจำเป็นก็ช่วยส่งต่อกันใหญ่ ซึ่งนั่นแปลว่าการแพร่กระจายอาจหนักกว่าไวรัสเสียอีกเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่น่ากลัวจริงเขาหลอกว่าจะส่งอะไรให้หนูล่ะแล้วมีเหตุผลอะไรถึงต้องทำอย่างนั้นเหตุผลของพวกแฮกเกอร์เท่าที่หนูทราบคือบางทีแค่อยากอวดความสามารถขนาดเจาะระบบยากๆได้สำเร็จอย่างรายนี้เขาเจาะระบบของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่เจ้าหนึ่ง แล้วนำโปรแกรมโทรจันไปฝังไว้ในส่วนที่เปิดเผยให้ทุกคนมาดาวน์โหลดไปได้จากนั้นก็กระจายเมลไปทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตหลอกใครต่อใครว่าขณะนี้มีไวรัสพันร้ายแรงที่สุดขอให้ทุกคนรีบไปเอาไฟล์ป้องกันมาจากบริษัทซอฟต์แวร์นั้นซึ่งทุกคนต้องหลงเชื่อเนื่องจากที่อยู่ของโปรแกรมเป็นของบริษัทนั้นจริงๆแม้แต่คนในบริษัทด้วยกันเอง ทีแรกยังพลอยหลงตกเป็นเหยื่อพอเอาโปรแกรมนี้มาทำงานทุกอย่างจะยังเป็นปกติแม้กระทั่งสั่งจัดเก็บข้อมูลก็เห็นว่าเก็บได้ไม่มีปัญหาธรรมดาคนก็จะไว้ใจปิดโปรแกรมปิดเครื่องพอกลับมาเปิดเครื่องอีกทีจะทำงานต่อก็ลมแทบจับเมื่อพบว่างานที่ทำไปล่าสุดไม่ได้มีอยู่เลยอุปการะพยักหน้ายิ้ม อย่างเข้าใจและพูดสรุปเข้าจุดสั้นๆเขาทำไปเพื่อตบหน้าบริษัทที่เขาหมั่นไส้เท่านั้นเองค่ะโดยอาศัยคนโง่ๆอย่างหนูเป็นเครื่องมือน้าเลกล่าวด้วยความเจ็บแค้นจุกเสียดแน่นอกหนูไม่โง่หรอกเหมือนเจอหมาท่าทางจะซื่อกับเราเฝ้าบ้านให้เราได้พอเอามาเลี้ยงมันกลับกัดเราด้วยนิสัยชั่วร้ายแถมฝากโรคมาติดเราอีก อย่างนี้ไม่มีใครว่าเราโงา่แต่จะเห็นว่าเราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่รู้เท่าไม่ถึงการได้คนหนึ่งแฮกเกอร์สิโง่เพราะเอาความรู้และสติปัญญาเหนือมนุษย์ไปสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองอย่างสาหัสเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่ฉลาดขณะสามารถสร้างผลงานมหาศย์แต่แทนที่จะสร้างเทคโนโลยีนำความเจริญมาสู่โลกกลับสร้างเครื่องจองจำทรมานตัวเองให้เจ็บปวดอย่างยืดยาว เด็กสาวก็พริบตาปริบๆเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรหรือคะหนูลองถามตัวเองซิว่าเรื่องครั้งนี้ทําให้หนูรู้สึกอย่างไรเป็นอันดับแรกเอาที่เด่นที่สุดเมื่อรู้ว่าคอมพิวเตอร์โดนไวรัสเล่นงานนะ่ะก็เจ็บปวดเหนื่อยใจเสียใจอ่อนล้าสายตัวแทบขาดเพระาะทราบว่าอย่างไรก็ส่งงานช่วงบ่ายนั้นไม่ทันแน่นั่นแหละเขาต้องประสบเหตุคาดไม่ถึงเตรียมป้องกันตัวไม่ทนัน และเสวยความรู้สึกแบบเดียวกันกับหนูด้วยทุกเท่าหนูเป๊ะเลยหรือคะก็ไม่เป๊ะนักตามกฎวิทยาศาสตร์นี่เ้าว่าถ้าเราเอาหัวโขกผนังแรงเท่าไหร่ก็จะเท่ากับเอาผนังมาโขกหัวเราแรงเท่านั้นกฎแห่งกรรมก็คล้ายกันอยู่บ้างเราคว้างบุญบาปออกไปใส่ใครก็จะมีผลสะท้อนดีร้ายคว้างกลับมาใส่เราด้วยเพียงแต่อาจจะหนักเบาไม่เท่ากับที่เราคว้างออกไป เหมือนคนถูกขว้างเป็นกำแพงที่มีอำนาจสะท้อนต่างกันขว้างโดนคนบุญมากก็เหมือนเจอกำแพงศักดิ์สิทธิ์สะท้อนกลับมาประทะเราหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมขว้างโดนคนบุญน้อยก็เหมือนเจอกำแพงกระจกสะท้อนกลับมาประทะเราอ่อนๆหนูประพฤติตนมีศีลมีสัตว์ไม่กล่นแกล้งหรือจองเวรใครก็จัดเป็นกำแพงที่มีแรงสะท้อนค่อนข้างสูง พูดง่ายๆสมมุติว่าเขาตั้งใจทำให้หนูทุก์เพียงคนเดียวด้วยการทำข้อมูลเสียหายบางส่วนก็อาจรับผลคืนเป็นความเสียหายของข้อมูลในเครื่องทั้งหมดได้แล้วทำไมกฎแห่งกรรมต้องมีลำเอียงอย่างนี้ด้วยคะไม่ได้เรียกว่าเป็นความลำเอียงของใครแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สั่งสมไว้ต่างกันยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลือลูกบ้านเป็นที่รักของลูกบ้าน โดนใครตีหัวแตกหน่อยเดียวคนตีหัวอาจรับโทษคืนเป็นการรุมประชาทันจากคนหลายสิบคนจนน่วมและต้องนอนแบบให้น้ำเกลือไปหลายเดือนแต่ถ้าเหนือขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นพระราชาซึ่งทำคุณแก่แผ่นดินมากเกินจะนับแค่ใครเอารูปเคารพมาเหยียบย่ำคนนั้นอาจถูกคนทั้งประเทศไล่ล่าฆ่าแกงให้ตายดับได้แล้วเข้าใจลคะค่ะเห็นภาพชัดเลย ดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถ้าผู้นำมีน้ำใจเมตตาสั่งสอนให้ชุมชนที่รักท่านอาหัสิใจที่ร้อนก็กลับเย็นได้อย่างนี้คนทำร้ายท่านก็ไม่ต้องรับกรรมเลยสิคะกรรมหมู่บางทีก็มีทิศทางเป็นไปตามคุณธรรมของผู้นำได้เหมือนกันเคยผูกใจเจ็บกันมาหลายพบหลายชาติถึงเวลาก็ล้างเวร ล, ล้างภัยพร้อมกันเสีย แต่ถึงอย่างไรกรรมของผู้ทําร้ายหรือลบหลู่เบื้องสูงก็ต้องย้อนกลับมาให้ถูกตนทําร้ายหรือเหยียดหยามโดยตัวเองอยู่ดีนาชาเลพยักหน้าเริ่มเห็นรําไรว่ากรรมที่ร่วมทํากันมามากๆนั้นชนวนกําหนดทิศ ท, ทางให้เป็นไปอย่างไรอย่างไรอาจมาจากผู้ทรงอิทธิพลเพียงคนเดียวนึกถึงแฮกเกอร์ที่เสกความเดือดร้อนและบันดาลใจให้คนเครียดแค้นไปทุกหย่อมหญ้า โดยไม่มีใครมาช่วยไกล่เกลีย่ยไม่มีใครช่วยให้หมูชนคิดอหสิก็ น, นับเป็นการผูกใจเจ็บเป็นเครือข่ายใหญ่หลวงอย่างน่าสังเวชตอนแรกหนูไม่รู้หรอกค่ะว่าเจอดีเข้านึกว่าโปรแกรมทำงานผิดพลาดเอาแต่ว่าวุ่นทุรนทุรายพยายามกู้ข้อมูลคืนแต่ควานหาหนทางอย่างไรก็ไม่พบวิธี จนกระทั่งเพื่อนในกลุ่มอีกสองคนโทรศัพท์มาบอกว่าเจอเรื่องแบบเดียวกันถึงนึกขึ้นได้ว่าอาจเป็นไวรัสเลยเข้าเน็ตเพื่อสืบข้อมูลแล้วก็พบข่าวม้าโทรจันเลยทราบว่าหลวมตัวไปแล้วนาทีนั้นก็คิดว่าทำไมต้องทำกับฉันอย่างนี้ฉันไปทำอะไรให้เธอณชะเลเอ่ยคล้ายตัดเพอเรากับแฮกเกอร์ตัวแสบมาปรากฏตรงหน้า สะท้อนให้เห็นภาวะจิตใจที่หดหูหน้าเวทนาราวกับจำลองเหตุการณ์จริงขึ้นอีกครั้งจึงเห็นได้ไม่ยากว่านัชเลมีกรรมอันเป็นปฏิกริยาเช่นใดก็ยังดีที่หนูไม่ไปสาบแช่งหรือคิดอยากฆ่าเขาให้ตายเหมือนผู้ถูกกระทาให้เจ็บแค้นแรงแร ง, แ ร, งรายอื่นซึ่งอย่างนั้นเท่ากับเป็นมนโนกรรมในทางอากุศลทาร้ายตัวเองให้บาดเจ็บทางวิญ ญ, ญาณหนักขึ้นไปอีก เขาทำกับคนไม่รู้อิโนอีเนอย่างเลือดเย็นไร้ความยุติธรรมจริงๆค่ะแต่เมื่อสิบปีก่อนบ้านหนูเคยประสบหายนะยิ่งกว่านี้จากที่เคยมีฐานะดีกลับกลายเป็นยากจนแทบอดตายไปพักใหญ่พ่อแม่ยังมีแก่ใจสอนลูกๆไม่ให้ผูกอาฆาตจองเวรกับคนที่ทำกับเราหนูเลยติดนิสัยอาภายได้ไม่จำกัดมาจากพวกท่านอุปการะพยักยิ้ม การอภัยไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มการจองเวรสิต้องเสียยิ่งกว่าเดิมไม่รู้เท่าไรทั้งเวลาทั้งกำลังกายกำลังใจบุญบาปทำหน้าที่อยู่แล้วเราปล่อยเขาไปตามทางที่เขาสร้างเองเดินเองและเสวยผลเองนะ่ะดีที่สุดถ้าผูกใจเจ็บก็เท่ากับพ้อยกระโจนไปร่วมรับบาปอย่างใดอย่างหนึ่งบนเส้นทางของเขาด้วย เด็กสาวทำหน้าสงสัยแค่ผูกใจเจ็บหน่าหรือคะทำให้เราต้องร่วมรับบาปกับเขาการผูกกรรมมีความพิสดารลึกซึ้งหนูคาดไม่ถึงหรอกเรานึกว่าแค่ผูกใจเจ็บก็เป็นเรื่องส่วนตัวในใจแต่ความจริงมันเกิดกระแสเวรผูกพันระหว่างวิญญาณขึ้นมาแม้เราไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขาก็ตาม เขาเป็นฝ่ายกระทำต่อเราวันนี้อนาคตจะต้องมีเรื่องมีราวให้เรามีอำนาจเหนือกว่าและกรรมเก่าจะยั่วยุให้เราคิดเอาคืนบ้างซึ่งก็แปลว่าเราจะมีโอกาสทำบาปและรับผลจากบาปนั้นคืนในการต่อไปลูกค้าสาวคลายสีหน้าอย่างเข้าใจเต็มตื้นหนูจะไม่จองเวรเขาคะ่ะไม่จองเวรกับแฮกเกอร์ได้ก็ดี พระวงเวียนอันเป็นวังวนกรรมของพวกนี้น่าเหนื่อยหน่ายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดเลยหรือคะผมหมายถึงไม่สิ้นสุดง่ายๆในชาติปัจจุบันนะ่ะกรรมที่เขาก่อนั้นใหญ่หลวงนักเพราะเป็นชนิด ก, กระทํากับคนไม่เลือกหน้าไม่อาจประมาณถูกว่าจะโดนใครเข้าบ้างและผู้ได้รับความเสียหายจะประสบวิกฤตรุนแรงเพียงใดยิ่งหนูบอกว่า ออกข่าวมามีตัวเลขคนรับผลกระทบเป็นล้านอย่างนี้นะก็แปลว่าผลกรรมต้องถูกขยายให้ยืดเยื้อยาวนานเกินกว่าจะชดใช้กันได้หมดในชาติเดียวผมประมาณจากขอบเขตความกว้างยาวของเงากรรมที่แผ่ออกไปแล้วสงสารเขามากกว่าอย่างอื่นเพราะกรรมที่มีอิทธิพลกระทบกับคนเรือนล้านนั้นมักเนิ่นนานนับกับนับกัน คำอธิบายเนิบนาบของคนรู้ว่าตัวเองกำลังพูดถึงอะไรมีน้ำหนักพลังที่ทำให้คนฟังรู้สึกเชื่อถือเด็กสาวทั้งสองที่นั่งฟังอยู่ถึงกับสลดวูบแย่นะคะละอองฝนออกความเห็นข้าวุ่นาทุ่มเทกำลังกายและกำลังปัญญานับเดือนไม่พอยังได้รางวัลเป็นภัยร้ายแก่ตัวเองเกินคำนวณซะอีกนั่นแหละ ธรรมชาติมักหาเรื่องหลอกล่อให้มนุษย์ใช้ความฉลาดไปในทางโง่เสมอยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่าไรยิ่งทำเรื่องโง่ได้รุนแรงขึ้นเท่านั้นสำรวจดูเถอะความเดือดร้อนนา น, นับประการทุกวันนี้เริ่มต้นจากการใช้ความฉลาดของมนุษย์แทบทั้งสิน้นนชำทเลผงกศรีรระรับอย่างแข็งแรงแฮกเกอร์ที่ชอบทำความเดือดร้อนรำคาญใจให้คนอื่นส่วนใหญ่เป็นพวกฉลาดจัด อยากรู้อยากเห็นเกินคนธรรมดาคือชอบสำรวจซอกแซกไปทุกมุมลับในโลกคอมพิวเตอร์ที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วก็จะภูมิใจมากถ้าทะลวงกำแพงผ่านเข้าเขตห่วงห้ามได้สำเร็จบางทีแค่เพื่อสนองความรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นและวิธีที่จะให้ทุกคนประจักษ์ความยิ่งใหญ่ของตนก็คือทาอะไรแล้วเป็นข่าวระดับโลกทาง CNN ละองฝนเสริม และรายนี้ก็ทําสําเร็จป่านนี้นั่งอมยิ้มดูผลงานกระชอนโลกของตัวเองอยู่ในห้องนอนด้วยความปลื้มอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อุปการะนึกตามและเห็นจิตของแฮกเกอร์ปราปรื้มยินดีกับผลงานวินาศกรรมของตนอยู่จริงๆยิ่งเขาปลื้มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งย้ำกาให้หนักแน่นมากขึ้นเท่านั้นก่อนทาเขาต้องปราถนารุนแรงขณะทำ เขาต้องทุ่มกำลังกายกำลังใจสุดตัวหลังทายังอิ่มเองมเปรมใจไม่สำนึกผิดเสียอีกผมไม่เคยเห็นคนอยู่ดีๆทำร้ายตัวเองในระดับนี้ได้บ่อยนักหรอกแล้วองฝนหรี่ตาสยองหนูเคยได้ยินว่ากรรมชั่วใดก็ตามถ้าทำด้วยใจหนักแน่นโดยไม่ตระหนักว่าเป็นบาปจะมีผลรุนแรงที่สุดใช่ไหมคะใช่ทางพระท่านเปรียบเหมือนจับฐานร้อนโดยไม่รู้ว่าร้อน ก็จะฉวยขึ้นกำแน่นทำให้ผู้พองได้มากต่างจากคนที่รู้ว่าฐานร้อนถึงจำใจกำก็หลุมหลวมเนื้อหนังไหมพองน้อยกว่าพี่น้องสองสาวพยักหน้าพร้อมกันอย่างเห็นภาพผมแนะนำให้หนูซายแผ่เมตตาคนก่อความโกลาหนในสังคมด้วยความปรีดาปราโมทมักจะต้องเผชิญทุกสาหัสซ้ำซากโอดครวนก็ไม่มีใครเห็นใจ มีแต่โดนสมนำหน้าชนิดที่คนสมนำหน้าเองก็อธิบายไม่ถูกว่าทำไมอยากสมนำหน้าเขาจะเจอเรื่องร้ายให้ต้องหาทางป้องกันตนเองอย่างหน้าเหนื่อยนายยาวนานยิ่งกว่าคนเดินทางไกลถูกสัตว์เล็กใหญ่รบกวนไปตลอดทางแล้วที่หนูเป็นตัวนำเคราะห์ให้เพื่อนพลอยเสียงานไปด้วยหนูก็ทำทั้งไม่รู้เหมือนกัน แถมตอนแรกยังเปื้อปิติเสียด้วยที่ช่วยคาบข่าวไปบอกเพื่อนก่อนใครอย่างนี้ไม่ต้องรับผลไปเต็มเหนียวด้วยหรือคะหนูก็อาจได้รับผลกรรมบ้างเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงมากกว่าเช่นถ้าเพื่อนขาดการพิจารณาก็อาจต่อว่าเราจนเสียกำลังใจแต่นี่เรามีเพื่อนที่ดีรับรู้ความหวังดีของเราเขาก็ให้อภัยเจตนาเป็นใหญ่เป็นประธานในกรรมทั้งปวง แม้ผลลัพธ์ของการกระทาออกมาเป็นลบแต่เจตนาที่แท้จริงของหนูคือคิดช่วยปกป้องเพื่อนไม่ใช่ทำร้ายเพื่อนหากหนูมีเจตนานี้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตที่เหลือชาติปัจจุบันแม้เจออุปสรรคก็จะผ่านไปได้ไม่ยากนักเกิดใหม่ชาติหน้าจะเจอแต่คนหวังดีคิดช่วยเหลือเกื้อกูลให้หนูปลอดภัยมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข นัชเลยิ้มออกมาได้กับคำพยากรณ์ของบุคคลผู้พิสูจน์ตัวแล้วว่าน่าเชื่อถือพอค่ะหนูไม่อยากเป็นตัวซวยของใครอีกจะอธิษฐานเอาได้ไหมคะคนเราอาจเลือกเป็นตัวซวยหรือตัวนำโชคได้ด้วยกรรมในปัจจุบันถ้าหากหนูทำดีพาโชคมาให้คนอื่นด้วยความจงใจอย่างสม่ำเสมอก็สามารถอธิษฐานได้ว่าทั้งชาตินี้ชาติหน้า เขาเป็นผู้นำแต่ความสุขความเจริญมาสู่ญาติมิตรอย่าได้พาเคราะห์ร้ายมาหาพวกเขาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างนี้อีกเลยแล้วองฝนถามบ้างหนูเห็นทายเขาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันอย่างนี้ไม่เป็นกรรมดีพอให้คุณพระคุ้มครองหรือคะทำไมยังติดกลุ่มโดนจระเข้ฟาดหางได้อยู่พวกหนูจ่ายค่าคุ้มครองเป็นเสียงสวดมนต์เท่านี้เองหรือสองสาวหัวเราะ อุปการะถามอีกหนูทรายสวดบทไหนอิติปิโสค่ะเจ้าตัวเป็นคนตอบเองสวดกี่จบจบเดียวค่ะรู้ไหมบทสวดอิติปิโสกล่าวถึงอะไรก็เป็นบทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณผู้ใหญ่บอกว่าเมื่อเราสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็เท่ากับรับกระแสความศักดิ์สิทธิ์นั้นๆมาคุ้มเกล้าแล้วก็ถูก มีส่วนจริงอยู่มากนะทํานองเดียวกับเอาตัวไปสัมผัสดแดดอุ่นก็หายหนาวหรือเอาแสงสว่างแห่งกองกุศลมาตั้งไว้ในใจย่อมขับไล่ความคิดด้านมืดและเท่ากับเป็นการเอาตัวมาอยู่ใต้ร่มเงาของคุณพระพยันตรายก็มาถึงตัวยากเป็นธรรมดาเอาง่ายๆไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ก่อนออกจากบ้านแค่ะระลึกในใจหรือเปล่งวาจาเต็มปากเต็มคาว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประสบภัยเพียงเท่านี้เราก็จะพลอยได้ส่วนในสัจจะความจริงที่มีอยู่ในพระองค์ไปด้วยแล้วแม้อาจถึงคราวพบพยันตรายจากกรรมเก่าก็สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้อักโขณนัชเลลองนึกตามหล่อนมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างและทราบว่าไม่อาจมีสัตว์มนุษย์เทวดามารหรือแม้พระพรหมใดทำร้ายให้พระพุทธองค์สิ้นพระชน พอกำหนดนึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประสบภัยเท่านั้นก็คล้ายแสงสว่างแจ้งปรากฏขึ้นในภายในบังเกิดความโปร่งโล่งอบอุ่นใจเสมือนเข้าไปอยู่ในเขตรัศมีความปลอดภัยของพระพุทธองค์ทันทีพ้นสำเร็จจากอุปเทศวิธีเล็กๆน้อยๆทางจิตเพียงเท่านี้ก็ทำให้หล่อนบังเกิดความเข้าใจหลักการอ้างสัจจะความจริงขึ้นมา คิดถึงสิ่งใดก็มีอยู่จริงสิ่งนั้นย่อมมาปรากฏในใจเราทันทีถ้ามีพลังคุ้มครองก็จะเหมือนปรากฏเกราะแก้วไร้ตนแต่สัมผัสรู้ด้วยใจทันใดจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจตนเองและพลังความศักดิ์สิทธิ์ของเป้าหมายที่ระลึก ถ, ถึงหลายศาสนาที่มีการพร้อมใจสดระลึก ถ, ถึงคุณของพระาศาสดาบ่อย จึงประสบปาฏิหาริย์ของพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่จริงในทังนั้นๆมาบอกต่อกันได้ไม่ขาดที่ผ่านมาซรายเขาก็ออกเป็นคนดีชอบช่วยเหลือใครต่อใครทำไมยังไม่พ้นภัยคนผ่านละคะละองฝนไม่ไวกลางค้าปีที่ผ่านมาหนูซรายโดนแกล้งให้เดือดร้อนกี่ครั้งเพิ่งครั้งนี้แหละคะ่นะนชเลเป็นคนตอบงั้นย้อนไปทั้งชีวิตเลยแล้วกัน ขีห์นที่หนูโดนทำร้ายร่างกายและจิตใจชนิดจำได้แม่นคิดถึงทีไรนึกออกว่าเจ็บปวดมากเด็กสาวอึ้องคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงแผ่วสองสามครั้งมั้งคะหนูแค้นคนมาทำพ่อแม่หนูร้องไห้มากกว่าโดนใครทำตัวเองนั่นแหละนะแสดงให้เห็นว่ากรรมของความเป็นคนพุทธที่ไม่จองเวรใครมีจิตใจเอื้อเฟื้อชอบช่วยเหลือผู้อื่นนั้น ทำให้เรามีชีวิตที่สงบสุขอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าควรทําตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนซึ่งก็ด้วยสติปัญญาและกรรมดีของตัวเองใครเชื่อคําสอนท่านก็ย่อมได้รับการปกป้องจากความศักดิ์สิทธิ์ของกรรมดีในตนเองอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องสวดมนด้วยเจตนาอ้ อ, อนวอนขอความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นก็ได้ แล้วอุปการะก็ขยายที่มาแห่งวิบากกรรมที่หนูเป็นหนึ่งในผู้ถูกหลอกให้หลงเชื่อครั้งนี้ก็เพราะเศษกรรมในอดีตชาติที่เคยหลอกสัตว์เลี้ยงซึ่งป่วยหนักให้กินยาพิษด้วยเจตนาสงเคราะห์ให้มันพ้นทรมานกับทั้งไม่ต้องเอาโรคไปติดสัตว์ตัวอื่นแต่ยาพิษซึ่งหนูเข้าใจว่าจะช่วยให้มันตายอย่างสงบนั้นความจริงช่วยแค่ให้สงบแต่กริยาภายนอก แต่จิตมืนเมาปั่นป่วนด้วยฤทธิ์ยาและเคลื่อนไปสู่พบที่ต้องใช้กรรมเก่าต่ออีกแทนที่จะใช้กรรมเสียให้หมดในการป่วยคราวเดียวน้ะเลตาค้างหรือคะตอนหนูซายอายุประมาณ 7-8 ขวบเคยกินยาแล้วแพ้อย่างแรงด้วยความสะเพร่าให้ยาผิดของหมอต้องนอนแบบแทบไม่ได้สติอยู่สองวันใช่ไหมพี่น้องสองสาวขนลูกเกลียวครั้งใหญ่ พึมพำออกมาพร้อมกันใช่ค่ะนั่นแหละเป็นการใช้กรรมเก่าโดยตรงแต่ครั้งนั้นหนูคิดเคืองหมอมากและร่วมกับที่บ้านไปเอาเรื่องเอาเราวกับหมอก ร, รมจึงเหลือเศษโดนใจให้เราต้องไปเจอและหลงเชื่อเอาไวรัสคอมพิวเตอร์มาทำให้งานการล่าช้าในครั้งนี้อีกแล้ว อ, องฝนถามเสียงสูงด้วยความประหลาดใจแต่เศษกรรมหรือหางเลขงวดนี้ ไม่เห็นเกี่ยวกับยาหรือสุขภาพทางกายโดยตรงเลยนี่คะก็ใช่แต่มันก็เกี่ยวกับความเข้าใจผิดนึกว่าจะได้ของดีมาเยียวยาหรือแก้ไขใช่ไหมล่ะน้ทะเลห่อปากอย่างขนลุกเล็กๆอย่างต่อเนื่องเพราะรู้สึกราวกับนั่งฟังคำพิพากษาจากพญายมราชตัวจริงผู้มีหน้าที่รักษาโกรแห่งกรรมการให้ผลของกรรมพิสดารจังคะ่ะ ไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่หนูนึกเอาไว้เลยกรรมบางอย่างเวลาให้ผลนั้นรูปเหตุการณ์อาจก๊อบปี้กันได้เช่นเราดักตีหัวคนวันนี้อาทิตย์หน้าอาจโดนคนดักตีหัวคืนบ้างแต่โดยทั่วไปการให้ผลของกรรมไม่ได้ตรงไปตรงมาตายตัวอย่างถ้าให้หนูเห็นภาพใหญ่เข้าใจง่ายๆก็เช่นการด่าพระผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นการทํากรรมด้วยปากเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผลร้ายอาจเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพร้อมกันเช่นเป็นโรคอย่างหนักถึงความเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านสิ่งสะท้อนเกิดขึ้นจากกายใจตัวเองไม่ใช่ต้องให้คนอื่นมาด่าคืนแถมรับกรรมในช่วงชีวิตที่เหลือไม่พอยังอาจต้องไปเสวยผลต่อในนรกอีกแปลว่านารกสวรรค์มีจริงใช่ไหมคะเพราะอุปการะอ้างถึงนรก น้าเลก็ถามในสิ่งที่คาใจมานานทันทีโดยครั้งนี้รู้สึกว่าจะได้รับคําตอบจากผู้น่าเชื่อถือพอผมบอกไปหนูก็เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เอาที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูกันดีกว่าอบายภูมิน่ะไม่ใช่แดนนรกแดนเปรตหรือแดนอสุรกายนอกโลกเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงแดนเดรัจฉานด้วยซึ่งพวกมันก็ปรากฏตัวอยู่ร่วมโลกกับเรานี่แหละ ตอนนี้หนูทายเลี้ยงหมาฝรั่งตัวเล็กขนยาวเหมือนตุ๊กตาของเล่นหน้าหวานคล้ายลูกหมีไว้ตัวหนึ่งใช่ไหมน้ชเลเริ่มแปลกใจน้อยลงกับความสามารถล่วงรู้ราวกับตาเห็นของอุปการะเพราะเมื่อทึ่งถึงขีดสุดก็ย่อมไม่เหลืออะไรเกินนั้นได้อีกปฏิกิริยาจึงเป็นอาการยอมรับตามปกติไม่ตื่นเต้นตกตะลึงเท่าเก่าค่ะชื่อเจ้าอุ้ยโหย มันคือสุนัขพันธุ์ยอเชียร์เทอเรียที่หล่อนซื้อมาเลี้ยงได้ประมาณปีเศษหล่อนตั้งชื่อตามคำอุทานของตนเมื่อเห็นมันเป็นครั้งแรกในกรงที่ร้านขายระลึกดูก่อนหน้านั้นถึงแม่หนูสายจะรักสัตว์ก็ไม่เคยคิดเลี้ยงดูลูกหมาแต่จูจ่ๆก็นึกอยากเลี้ยงขึ้นมาเฉยๆใช่ไหมค่ะเจ้าของเทอเรียจำเป็นต้องยอมรับอีกนึกย้อนทบทวนแล้วก็จาได้สนิทว่า นั่งรถอยู่ดีๆก็อยากได้ลูกสุนัขมาเลี้ยงที่บ้านโดยไม่ได้เห็นไม่ได้ยินอะไรมาเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความอยากทั้งสิน้นหนูและคนธรรมดาทั่วไปจะไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าอะไรเป็นความคิดอยากของเราเองอะไรเป็นแรงกระทำภายนอกที่จี้ให้นึกอยากอย่างเช่นกรณีนี้ในภูมิมนุษย์เมื่อหลายสิบชาติก่อนหนูเคยเป็นแม่ของมันมา ในพบของความเป็นแม่ลูกครั้งนั้นได้ร่วมกันฝ่าฟันความยากลำบากหนูเลี้ยงดูเขาอย่างดียอมอดเพื่อเขาได้และเขาก็สนองพระคุณด้วยการยอมตายแทนหนูตั้งแต่เด็กคือเห็นคนรังแกแม่แล้วทุ่มตัวเข้าปกป้องสุดฤทธิ์จนพบจุดจบครั้งนั้นจิตที่มืดมนด้วยพิษบาดแผลและความอาฆาตศัตรูกดให้วิญญาณเขาถือกำเนิดในพบต่ำ เป็นสัตว์อย่างนี้มาหลายร้อยครั้งแล้วแต่ทุกครั้งจะน่ารักน่าเอ็นดูเสมอเพราะบุญที่เคยกระตัอยูต่อแม่พูดจาอ่อนหวานเอาใจแม่ระหว่างอุปการะกล่าวนัชเลถึงกับน้ำตาไหลลงมาเป็นทางโดยไม่รู้ตัวคิดถึงเจ้าอุ้ยโหยที่บ้านจับใจมันเป็นจุดนุ่มนวลกลางอกเสมอมาในตาโศกและห้อยผิดพัน จะแปลเป็นประกายดีใจทุกครั้งเมื่อเห็นหล่อนนั่นคือแม่เหล็กดึงดูดให้อยากกลับบ้านเร็วมาตลอดแม้จะให้คนอื่นเรียกมันว่าอุ้ยโหยแต่หล่อนกลับเรียกมันว่าลูกทุกคำและนึกว่าตนอุปทานไปคนเดียวด้วยอำนาจความพิศวาสแทบขาดใจอุปการะขยายความต่อวันที่อยากได้ลูกหมามาเลี้ยงใจหนูนึกว่าสุ่มไปเลือกตัวไหนก็ได้ จากลูกหมานับร้อยนับพันตัวแต่ความจริงคือกรรมสัมพันธ์ได้เลือกไว้ให้เราแล้วคือตัวที่หนูกำลังเลี้ยงอยู่นี่เองเมื่อใดก็ตามที่เกิดร่วมยุคกันมันจะอยู่ในที่ที่หนูไปเอามาชุบเลี้ยงให้ความรักความอบอุ่นได้เสมอเพราะผลของกรรมที่ยอมตายแทนกันนั้นจะส่งกระแสเรียกให้กลับมาสงเคราะห์ ก, กันในชาติใหม่ได้แรงกว่ากรรมชนิดอื่น คราวนี้หนูคงเชื่อแล้วสินะว่าพบภูมิและการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงไม่สงสัยอีกแล้วคะ่ะน้ทะเลปาดน้ำตาตอบเสียงเครือแล้วหนูจะทำยังไงถึงจะช่วยส่งให้มันไปเกิดในพบที่ดีกว่านี้ได้คะสิ่งมีชีวิตแต่ละเผ่าพันธุ์จะมีสภาพเด่นที่มันติดข้องอยู่อย่างพบหมาสวยๆที่หนูเลี้ยงอยู่นี่จะติดความเย่อหยิ่งความอาหารเกินตัว ถ้ามีหนทางกล่อมให้มันละความติดข้องกับพบแห่งความเป็นเช่นนี้ก็จะหลุดจากพบแห่งความเป็นเช่นนี้ได้กล่อมมันยังไงคะสัตว์ที่ถูกมนุษย์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดจะมีสิทธิพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงส่งขึ้นได้ไม่ยากหรอกเจ้าของเป็นอย่างไรมันก็ซึมซับมาอย่างนั้นสัมผัสธนุถนอมของคนมีศีลสัตว์จะช่วยให้คลื่นจิตของมันสงบอ่อนโยน ยิ่งหนูพูดและทำกับมันด้วยขายคลื่นธรรมะมากขึ้นเท่าไหร่ก็พลอยเหนี่ยวนำให้จิตของมันคล้อยตามกระแสรธรรมะไปด้วยมากขึ้นเท่านั้นนชเลเลงแลอุปการะด้วยลักษณะการเงียบนิ่งเป็นดุษณีตั้งใจแน่วแน่ว่ววาจะทำทุกวิถีทางเพื่อเหนี่ยวนาจิตเจ้าอุ้ยโหยให้เป็นกุศลทุกวันนี้หลอนก็นามาหมอบข้างๆทุกครั้งที่สวดมนต์ไหว้พระ ซึ่งเป็นการเปล่งเสียงแสดงความเคารพนบนอบต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่ต่อไปจะทำยิ่งกว่านั้นเช่นให้มันเห็นหล่อนใส่บาทพระทีบ่อยที่สุดจนกลายเป็นภาพติดตาและองฝนเห็นน้องสาวนั่งเงียบขรึมก็เป็นฝ่ายถามหมอดูบ้างที่หมาแมวมีความผูกพันเป็นพิเศษและมักได้รับอภิสิทธิ์เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านคนนี่ก็เพราะชาติใกล้เคยเป็นมนุษย์หรือเปล่าคะ มีส่วนใช่นะคนเราลดชั้นลงไปเกิดเป็นหมาแมวกันเยอะโอกาสเจอญาติเก่าในร่างหมาแมวจึงสูงกว่าสัตว์ชนิดอื่นกรรมจะทำให้หมาแมวมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปกับทั้งตกแต่งรูปร่างหน้าตาให้มู่ทู่หน้าเอ็นดูโดยเฉพาะลูกหมาจะขาสั้นตัวสั้นเตะตาให้เกิดความอยากเลี้ยงทันทีโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงจะถูกชะตากับสัตว์เลี้ยงหน้าตาน่ารัก ที่มีสัญชาตญาณขี้อ้อนยอมเหนื่อยเลี้ยงดูมันง่ายเป็นพิเศษอย่างถ้าไปเกิดเป็นปลาชโดโอกาสที่เจอแล้วปิ้งก็ไม่มีสิคะตัวกลมฟันแหลมไม่น่ารักอย่างนั้นอุปการะหัวเราะเห็นไหมละ่ะว่ากำเนิดต่างๆจะให้โอกาสผิดแผกกันกรรมของพวกปลาชโดตกแต่งรูปร่างหน้าตาให้หน่าเกลียดสร้างสัญชาตญาณดุร้ายก้าวร้าวติดตัวมาแต่เกิด และดนใจให้มนุษย์เราเรียกมันไปในทางตลกกล่าวจบก็ยกข้อมือดูนาฬิกาซึ่งพอเป็นสัญญาณให้พี่น้องสองสาวทราบว่าน่าจะสมควรแก่เวลาแล้วสรุปคือที่ซายเขาต้องทำคืออโหสิให้กับแฮกเกอร์แล้วก็เลิกทรมานใจกับการโทษตัวเองเสียทีว่าเป็นคนผิดที่ลากเพื่อนมาร่วมเคราะห์ร้ายใช่ไหมคะละองฝนถามแทนน้องด้วยความห่วงใยใช่ ครั้งนี้หากหนูไม่อาคาดแค้นคิดอโหสิให้กับแฮกเกอร์โดยดีก็ถือว่าสะสางกรรมชุดที่ไปวางยาพิษสัตว์เลี้ยงในอดิตชาติเรียบร้อยหนูอโหสิให้เขาค่ะนัชาเลรีพูดและหมายความตามนั้นอุปการะเห็นจิตของเด็กสาวให้อภัยอย่างสะอาดสะอ้านจึงพยักหน้าช้าๆกลายเป็นสัญญาณรับรองว่ากรรมเป็นอโหสิจริงดีแล้ว ละองฝนเหลียวมองน้องสาวเห็นท่าทางสดชื่นหายวิตกก็หันกลับไปหาพ่อหมออย่างขอถามเป็นข้อแถมสุดท้ายอยากรู้จังค่ะว่าแฮกเกอร์จะเป็นตัววิบัติไปอีกนานแค่ไหนกว่าจะสำนึกผิดและต้องชดใช้กรรมบางทีกฎแห่งกรรมก็ทำงานช้าจังคนชั่วลอยนวลสร้างความเสียหายกับสังคมได้หลายปีไม่ยักเป็นไรที่กรรมชั่วให้ผลช้า บางทีเพราะได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองจากบุญเก่าช่วยพยุงไว้นานอย่างคนที่สุขภาพแข็งแรงเพราะออกกำลังกายดีถึงกินเหล้ามากก็เหมือนไม่เป็นไรต่อเมื่อถึงจุดหนึ่งความแข็งแรงช่วยไม่ไหวก็กลายเป็นโรคตับแข็งขึ้นมาสีหน้าของเด็กสาวคลายอาการสงสัยลงอีกครั้งก็จริงนะคะแฮกเกอร์กี่รายต่อกี่รายที่สร้างความเสียหายมากๆลงเอยด้วยคุกทั้งนั้น เพราะทางการตามล่าอย่างเอาเป็นเอาตายข้ามประเทศข้ามปีอุปการะยิ้มเล็กน้อยเยี่ยงผู้รู้ในแห่งกรรมอันซับซ้อนลึกซึง้งคนบางคนต้องทำบาปอย่างมหันแล้วสำนึกผิดเสียก่อนถึงจะมีแรงบันดาลใจทำบุญเป็นอ น, นันต์เพื่อไถ่โทษคนที่สามารถทําให้ใครๆเดือดร้อนได้เป็นล้านนะ่ะบารมีเก่าย่อมไม่ใช่น้อยๆนะไม่อย่างนั้น ธรรมชาติไม่ให้อำนาจล้นเหลือมาขนาดนั้นหรอกว่าหนึ่งหนูอ่านเห็นเขาทำอะไรได้อย่างที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนก็ได้เช่นอะไรคะเช่นเปลี่ยนความเชื่อของคนเกือบครึ่งโลกให้เป็นไปในทางเดียวกันไง